ยาีเรียเรเื่องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช้ยชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านในชนบทอย่างเดียวดาย เขาต้องการที่จะพรวนดินเพื่อทำสวนมันฝรั่งแต่มันเป็นงานที่หนักมากลูกชายคนเดียวที่เคยช่วยต้องโทษติดคุกชายชราเขียนจดหมายถึงลูกอธิบายถึงสถานการณ์ลูกรักพอรู้สึกแย่มากเพราะดูเหมือนว่าพ่อจะปลูกมันฝรั่งไม่ได้ในปีนี้พ่อแก่เกินไป ที่จะขุดไถแปลงสวนถ้าลูกยังอยู่คงจะไม่มีปัญหาพอรู้ว่าลูกคงจะขุดพรวนแปลงสวนให้รักจากพ่อหลังจากนั้นสองสมวันชายชราก็ได้รับจดหมายจากลูกชายพ่อครับเพื่อเห็นแก่ผม พ่ออย่าได้ขุดพรวนแปลงสวนนะครับผมมาฝังศพไว้ที่นั่นหลายศพรับจากลูกตีสี่เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและตำรวจท้องที่แหกันมาขุดค้นไปทั่วทั้งสวนแต่ไม่พบศพเลยเจ้าหน้าที่ขอโทษชายชราและจากไปวันเดียวกัน ชายชราได้รับจดหมายอีกฉบับจากลูกชายพ่อครับตอนนี้คุณพ่อลุยปลูกมันฝรั่งไปได้เลยตอนนี้ผมคงช่วยพ่อได้แค่นี้แหละครับในสถานการณ์เช่นนี้รักจากลูกเรื่องนี้สอนว่าต่อให้ไม่มีกําลังกายจะทำอะไรได้แต่ถ้ามีกําลังสติปัญญาแล้ว ก็สามารถจะทำอะไรต่างๆได้เสมอขอให้มีสมองปลอดโปรง่งแล้วปัญหาทุกปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายกว่าที่คุณคิดไว้มากทีเดียว